อาจารย์เลนพรญอย่ายมหลวงพ่อเพิ่งรู้นะว่าเด็กอนุบากลกรุงเทพเนี่ยตัวมันใหญ่ขนาด น, นี้ <c oughs> ที่แรกคุณปียมงคลเอะนะชื่อเอะไปนิมนต์หลวงพ่อขอประเทศที่โรงเรียนอนุบาลหลวงพ่อก็ยังงงๆนะว่าจะให้เราเทศให้เด็กอนุบาลฟัง เด็กเล็กๆน่กกนะ็ฟังธรรมะไม่เข้าใจเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่ะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเด็กเล็กๆน่กก็ยังฟังยากถ้านะสักเจ็ดขวบแดขวบอะไรขึ้นไปนี่ก็พอได้อย่างเด็กที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อเก้าขวบโอมันถามธรรมะน่าฟังนะถามจนผู้ใหญ่กลัวเลย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 เดินนั่งนอนก็รู้นะคอยรู้สึกนี่เรียกว่าหัดรู้สภาวะนะร่างกายมีความสุขก็รู้ร่างกายมีความทุกข์ก็รู้ร่างกายเฉยๆก็รูนะ้หัดรู้สึกไปจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็หัดรู้ไปนะการที่เราหัดดูสภาวะเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะจำสภาวะแต่ละตัวได้แม่นเพราะเราจำลักษณะเฉพาะของมันได้เนะช่นความใจลอยเกิดขึ้นเนี่ย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 เข้าใจลักษณะตัวที่หนึ่งละลักษณะเฉพาะต่อไปเราจะเรียนอีกตัวหนึ่งชื่อสามัญลักษณะสามัญลักษณ ะ, ะหมายถึงเป็นลักษณะทั่วๆไปลักษณะร่วมของสภาวธรรมทุกๆตัวของสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทุกๆตัวลักษณะที่เรียกว่าสามัญลักษณะเนี่ยคนไทยเราจะได้ยินคาว่าอานิจจังทุกขังอนัตตา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 ความจริงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราสามารถเห็นสามัญยลักษณะลักษณะร่วมของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเพราะฉนั้นวิปัสสนาไม่ใช่การเห็นกายเห็นใจเฉยๆต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจสามัญยลักษณะนั้นชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แปลว่าลักษณะสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองบางทีเรียกว่าสามัญยลักษณะหมายถึงลักษณะสามัญลักษณะทั่วๆั่วไป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 พวกเรายัางไม่มีปัญญากระทั่งเล็กน้อยนะเรียกว่าปัญญาอ่อนๆนะปัญญาอ่อนปัญญานิ่มนิ่มนะเพราะปัญญาเล็กน้อยอันนี้เรายัางไม่มีคือเรารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมในกายเนี้ยในร่างกายเนี้ยมีตัวเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมถ้าเมื่อไรเป็นพระโสดาบันนะดูลงไปมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีกระทั่งเงาเนะงาของความเป็นตัวตนก็ไม่มี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 เป็นจิตที่จรไปในกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพาทั้งหลายเห็นมไหมจิตของเราเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปริมรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสจิตของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะในขณะที่จะเกิดอริยมรรคขึ้นนั้นจิตจะรวมเข้าปนาสมาธิมันจะรวมลงมาที่จิตมันจะไม่จรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่จะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวนะแล้วมาตัดสินความรู้กันที่ใจนี่เอง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 เมื่อวานมานะใสปิ๊งมาเลยจิตนี้ตื่นเต็มที่มาเลยนะแล้วท่านก็มาสรารภาพกับหลวงพ่อว่ามันง่ายจริงๆนะท่านอาจารย์ง่ายอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรวันก่อนโน้นวันพุธก่อนไปเทศที่โรงเรียนของอาจารย์ซุปอานะจารย์ซุปเคนะทําไมต้องมีเคก็รู้นะอาจารย์ซุปเคก็ตื่นขึ้นมาใจแกก็ตื่น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 มักจะอุทานออกแจมแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของคว่ำให้หายง่ายนี่ของคว่ำเปิดให้หายง่ายขึ้นมาเห็นไมไม่ยากอะไรนี่เปิดขึ้นมามันจะยากอะไรนะไม่มีใครอุทานสักคนนะสับสนจังเลยพระเจ้าข่านะที่พระองค์เทศมานะสับสนเหลือเกินพระเจ้าข่านะยังไม่เคยปรากฏเลยนะดังมั้นธรรมะแท้ๆเป็นของง่ายนะ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 การที่เราไปจ้องไว้ที่กายจ้องไว้ที่จิตมันกลายเป็นการเพ่งกายเพ่งจิตถ้าเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งๆิ่งใจก็นิ่งนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วไตรลักษณ์มันแสดงไม่ได้เพราะไตรลักษณ์มันไม่นิง่งไตรลักษ ม, ม่เที่ยยงมัจะตรกเป็นของทนอยู่ไม่ได้เนี่ยสภาวะสะจะแสดงสภาวะที่ทนไม่ได้สภาวะที่บังคับไม่ได้แต่ถ้าพวกเรายัางภาวนาด้วยการเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้กําหนดเอาไว้ เราจะรู้สึกว่าร่างกายก็นิ่งๆ่งจิตใจก็นิ่งๆ่งนี่นรู้สึกเหมือนเที่ยงเพ่งไปเพ่งไปนะจะรู้สึกว่ามีความสุขอีกเห็นแทนที่จะเห็นทุกข์ขังนะกลับไปเห็นว่ามันสุขขงังแล้วก็จะรู้สึกว่าเราบังคับได้เราบังคับกายก็ได้บังคับใจก็ได้บางคนนั่งสมาธินะนั่งได้นานหลายชั่วโมงนั่งได้เป็นคืนนั่งได้เป็นวันไม่เมื่อ ย, ยรู้สึกนั่งเพราะว่าเพ่งเอาไว้ไม่มีไตรรักนะไม่เห็นมันจะทุกตรงไหนแล้วมีแต่ความสุข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 เที่ยงได้เป็นกับกับหน่อยนะไปเป็นพระพรหมเกาะ อ, อยู่กับลมเกาะนิ่งแต่ก็ไปเป็นพรหมพรหมมีรูปชื่อรูปพระพรหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไม่ทํานะสองสิ่งสิ่งแรกก็คือใจลอยไปเม่อเมอไปเผลอเอไปถ้ามันเผลอไปจะทํำยังไงห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะจิตมันเคยเผลอมันก็จะเผลอห้ามมันไม่ได้หน้าที่ของเราก็แค่รู้ทันจิตเผลอไปรู้ว่ามันเผลอไป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 ตอนเป็นพระโสดานะก็สัมผัสพระนิพพานแวบๆนะได้นิดๆหน่อยๆได้ชิมหลางเล็กๆน้อยๆได้สักาคาถาก็ไปสัมผัสอีกทีหนึง่งนะเป็นพระนาคาก็สัมผัสอีกทีหนึง่งตอนเป็นพระละหาันนะเนี่ยเวลาเรานึกถึงนิพพานเมื่อไหร่นิพพานอยู่ต่อหน้าไม่ต้องเดินหานะนิพพานไม่ได้อยู่ที่สวนสันติธรรมด้วยนะไม่ได้อยู่โรงเรียนจุไรรัตไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ต่อหน้าต่อตาเนะฉั้นจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็จะเห็นมื่นั้นแหละ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 เราตามดูมันเล่นๆไปด้วยเราไม่ไปบังคับให้เ้านิ่งหรอกอาเชิญคนต่อไปนมาส ก, การ์ขลวงพ่ออตื่นเต้นคะ่ะเมื่อกี้นะั่งอยู่ตื่นเต้นแล้ว<ะ>ทํายังไงตื่นเต้นก็รู้คะ่ะไม่รู้สิตื่นเต้นแล้วเพ่งแล้วไงแบ่งดูการปฏิบัติเป็นช่วง6เดือนแรกกับหเดือนหลังนะคะหเดือนหลังนี่ใจมันไม่ค่อยยอมกับมารู้กายรู้ใจเท่าไรหรไ่นั่นแหละมันจะน้อมไปว่างๆนะ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 ทิ้งมันไปแล้วคอยรู้กายรู้ใจไว้นะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเวลาเห็นกิเลสล้วก็จะกดทันทีเพราะว่ารู้สึกว่าให้รู้ทันนะเพราะใจเราไม่เป็นกลางใจเราเกลียดกนะิเลสกิเลสก็คืออกุศลทั้งหลายเนี่ย น, น, ะ, นะมันมีความเท่าเทียมกับกุศลทั้งหลายดีกับชั่วเนี้ยเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์หมายความว่าความชั่วเกิดขึ้นความชั่วก็แสดงไตรลักษ์ให้เราดูได้ความชั่วก็เป็นครูคนหนึ่งของเราอย่าไปเกลียดครูนะ เราจะเอาแต่ครูหน้าหวานๆนะครูหน้าตาดุๆเราจะไม่เอานะทั้งกุศลทั้งอกุศลล้วนแต่แสดงไตรักษทั้งสิ้นใช่ไหมคุณงามความดีในใจเราอย่างเกิดศรัทธาอยากฟังทำเนี่ยก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับนะฟังแล้วก็เบื่ออยากกลับบ้านใช่ไหมดูไปดูไปเดี๋ยวมันก็หายเบื่ออะไรเงี้ยนั้นกุศลและอกุศล น, นั้นเท่าเทียมกันโดยความเป็นไตรักถ้าเราคอยรู้คอยดูเราไม่ใช่รักกุศลเกลียดอกุศล น, นะ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 เห็นจิตมันทํางานอยู่ที่กลาง อ, อกใช่ไหมไหว ย, ยับยับยิบยับก็ปลุงขึ้นมาตรงนี้แหละโลภโกรธหลงความสุขความทุกข์อะไรก็ผุดขึ้นมาจากกลาง อ, อกนี่แหละอาจานย์มหาบัวก็เคยพูดบอกว่าทำแท้เกิดขึ้นกลาง อ, อกนะงั้นกุศลกุศลเกิดที่กลาง อ, อกนีก่คอยดูอยู่เรื่อยเรานึกว่าเจ๋งนะนึกว่าต้องดูตรงนี้แหละถึงจะบรรลุพระอรหันต์ไปถามหลวงปู่ดูลลงปูงป่ครับจิตยอยู่ที่ไหน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 จิต ion, ที่หลงไปคิดนะเป็นจิตที่มีโมหะโมหะเนี่ยเป็นพ่ อ, เ ป, พอเป็นแม่ของกิเลสทุกๆตัวเลยต้องหลงก่อนนะถึงจะโลภได้ต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้เพราะั้นเราถ้าเรารู้ทานจิตที่หลงนะมันจะไม่มีโอกาสโลภไม่มีโอกาสโกรธเลยอย่างตอนนี้หลงไปอีกแล้วทราบไหมเห็นใจที่ไหลใช่ไหม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 รรการธรมสักการ์ขลวงพ่อคือว่าคราวที่แล้วอะค่ะท่านก็ให้การบ้านไปภาวนาพุโทโธอะค่ะก็ก็รู้สึกว่าใจสงบเดียค่ะใจมันอะไรนะสงบใจสงบแล้วพอใจไหมสงบแล้วพอใจไหมถ้าสงบแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะเนี่ยเราพัฒนาต่อไปการที่เราพุโทโธพุธโทโธนั้นเป็นสมถะกรรมฐาน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 แล้วก็ฟังซีดีขงพ่อบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังยิ่เมื่อตอนอช่วงปีใหม่คือไม่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเนี่ยมันเกิดควารู้สึกที่จะล้มตัวลงนอนแล้วเกิดความรู้สึกเป็นเห็นชัดเจนว่ามีเกิดดับอยู่ที่กลางหลังเจ้าค่ะอกลางหลังก็รับสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพ่อไม่ทราบนะฮะแล้วก็นอนไปโดยที่กําหนดรู้แล้วก็หลับได้สบายมาก<อ>คือหลับเร็วเลยนะเจ้าค่ะ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 เวลาเราดูกายดูใจเราต้องดูห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นไปเห็นร่างกายมันเอ็นลงไปนอนเนเหมือนเห็นคนอื่นลงไปนอนนะเราดูอยู่ห่างๆเมือนเราดูฟุตบอลเรานั่งอยู่บนอัธจันทร์ดูนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราก็เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวไปมาใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปนะอย่าให้ถลําลงไปเพ่งอยู่ที่หลังก็แล้วกันนะเจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งฮท่า น, นอาารที่เรายึดติดอยู่กับ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 วันนี้ลูกดีใจมากะค่ะที่ดีใจให้รู้ว่าดีใจนะค่ะที่มีโอกาสได้มา ก, กับหลวงพ่อค่ะแล้วก็คือที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็ใช้วิธีฟังซีดีอะค่ะเพราะว่าไปหาหลวงพ่อที่วัดยากอะคะอ่ะแล้วก็ตอนฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังจริงๆฟังทุกที่อะค่ะฟังมาสองปีแล้วะะจิตน่าใช้ได้นะจิตมันเริ่มตื่นแล้ว เราคอยรู้สึกไปเห็นไหมกิเลสมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดูอกแล้วยังดูเห็นกิเลสท่วมหัวเลยคะ่ะโอ้ยโมทนาสาทุก <c oughs> ถ้าภาวนาดีนะจะเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยพวกภาวนาไม่เป็นไม่เห็นกิเลสจำไหมนะอืแล้วก็เห็นโมหะเยอะมากเลยคะ่ะดีมากนะภาวนาเป็นนะเห็นไหมกิเลสมันเกิ ด, เ, กดเราห้ามมันไม่ได้ค <c oughs> แม้เรารู้เฉยๆสติจะเกิดเลยไม่เกิดก็ห้ามสั่งไม่ได้ดูออกไหมค่ะดูตามดูตามรู้เฉยๆแล้วบางทีแบบ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 คิวอยู่วัดหลวงพ่อถึงปีห้าเก้าแล้วนะขอบพระคุณเจ้าค่ะน้ัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็นช่วยยืนไหนได้ไหมเมื่อเมื่อไหลายเดือนนั่งได้แล้วจำหน้าได้แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ได้ไปที่วัดหลวงพ่อค่ะแล้วก็ได้ไปรายงานว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเห็นตัวเห็นความยึดนะคะตอนนี้มันได้รู้จักกับความยึดกลับมาก็มาทําต่อ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 อันนั้นก็โทสาเหมือนกันนะโทสาอีกพวกหนึ่งไม่ดีทั้งคู่แหละให้เรารู้ทันนะหนูก็ตามดูตามรู้อย่างนี้แต่อย่าไปว่ามันนะนางอิจฉาคนนี้ไม่ชอบให้ใครว่ า, หาให้คอยรู้ทันดูเขาอิจฉาไปเรื่อยๆ <หา S 1> แ, ลแล้วเดี๋ยวเขาดีเองแหละห <า S 1> เพราะนางคนนี้ไม่เที่ยงหรอกวันหนึ่งมันต้องตายรู้อยากให้หลวงพ่อทุก พ่อบอกแล้วไงไปดูนางอิจฉาเรื่อยนะ okay, ดูด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดเขานะเขากำลังสอนธรรมะเราขอบคุณค่ะอ่าต่อไปนรมศสการหลวงพ่อค่ะได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณ4ี่เดือนนะคะด้วยการดูใจแล้วก็ดูกายสลับกันไปมาไม่ทราบว่าอันนี้ได้ทำอันนี้ถูกตรริตของโยมหรือเปล่าคะ่ะของของโยมต้องรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะ พยายามร่างกายกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกคอยรู้สึกถ้าถ้าดูใจอย่างเดียวเดี๋ยวจะนิ่งเกินไปของยมยังยังชำนาญที่จะเพ่งให้นิ่งรู้สึกไหมเราชอบเพ่งชอบเพ่งและชอบอ่านคะน่ะชอบอ่านใจก็ฟุ้งซ่านนะชอบเพ่งไว้ก็ไปบังคับให้นิ่งอ่านได้นะอ่านแล้วอ่านหรือเปล่า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 เป็นทั้งนางเอกทั้งนางอิจฉาเลยอะแล้วดีดีจริงๆทุกคนก็เป็นนะเป็นทั้งนางเอกนางอิจฉ้าหนูรู้สึกว่าจิตหนูมันฟุ้งซ่านมากใช่ไหมคะอย่าไปเกลียดมันหนูไม่ชอบความฟุ้งซ่านใจไม่เป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านดูออกไหมให้รู้ทันรู้สึกว่าไม่เป็นกลางนั่นแหละให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลางเรารู้สึกว่าไม่มีกําลังในการดูด้วยใช่ไหมให้รู้ว่าไม่มีกําลังเราจะหายไหมคะหายไม่หายเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรานะเรามีหน้าที่รู้ไปเรื่ยแต่ถ้าอยากให้มีแรงมากๆเราต้องปฏิบัติในรูปแบบนะเช่นเราถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ทสมาธิเดินจงกรมอะไรเนะี้ยสงบก็ทําไม่สงบก็ทำทําไปทุกวันทุกวันนะใจมันมีแรงขึ้นมาคเคยลองนั่งสมาธิอะคะ่ะแล้รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมากแล้วมันนั่งไม่ทายอะคะ่ะนั่งได้สนะินั่งลืมตาอย่างเงี้ยแล้วเห็นใจฟุ้งซ่านไป เราไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องนั่งใจให้นิ่ ง, งนั่งดูใจไปเลยน ะ, อะของคุณจะไปทำให้มันจิตนิ่งมันไม่ยอมนิ่งเพราะฉะนั้นจิตฟุง้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านน ะ, ะต่อไปมีไหมหมดหรือยังนมาสการท่านอาจารย์ครับผมขอทานภัยด้ยวยครับตอนที่ท่านสอนว่าให้ดูจิตให้ดูกายเวลาขับรถเลยนะ ผมเวลาขับรถขมต้งสื่อผมต้องใช้สมาธิมากกลัวจะเผลอไปชนใครเข้าถ้าสมาคนท่านบ้าคงจะเกิดอันตารายอย่าอย่าน้อมเข้าหาความสงบนะเวลาขับรถนะ่ะตาหูอะไรได้ต้องว่องไวไว้อย่าน้อมทําสมถะตอนนั้นถ้าทําตอนนั้นเดี๋ยวรถชนเอาอนะจิตมันรวมอ่ะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าถ้ามาก็ช่วยไม่ได้เราจะนินทานะ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกป่าจันโทฟนรารโสยถทามณีโชติระโสยัทาสัพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาธนาศีลิสนิจังอุททาปจายโนจัตตารโธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังภะลัง